162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกห้ิก็คำนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดกรอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยประยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชะรามรนะดูกระอาโน์ก็แลถ้าชาติมิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งโหนคือมิได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทานแห่งพวกคนทานเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์ เพื่อความเป็นผู้พูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สีเท cool. ้าแห่งพวกสัตว์ส <Ultimate> <etcetera S 2> ีเท้าเพื่อความเป็นปักษีแห่งพวกปักศีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดูกระอาโนนก็ถ้าชาติมิได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น แห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชาติราและมรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข่าเพราะเหตุนั้นแหละอนน์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งชารามรณะก็คือชาตินั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาโนนเธอพึงทราบข้อความนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ ดุกระอาโนนก็ถ้าพบไม่ได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งโหนคือกามาพบรูปประพบอะรูปประพบเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอาโนน เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชาติก็คือพบนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูการะอานนนเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบดกระอาโนนก็ถ้าอุปาทานมิได้มีแก่ใครในภพไหนทั่วไปทุกแห่งโหนคือกามุปาทานทิฏถุกปาทานศีลภพะตุปาทานอตตวาทุปาทาน เมื่ออุปาทานไม่มีโดยปราการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับไปพบจะเพื่องปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอานนนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งพบก็คืออุปาทานนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอาณน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยป ร, ริยายแม้นี้